เมื่อนอนตื่นลืมตามีสติและพึงคิดใช้ชีวิตด้วยเหตุผลใช้ปัญญาหาสิ่งดีมาใส่ตนจะเป็นคนพ้นลำบากมียากเลยสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพผมนทรกรคนชอบเล่าวันนี้ในหมวดของตำนานธรรมะศักดิ์สิทธิ์อยากจะขอกล่าวถึงท่านครูบาชัยวงศาาพระอาริยสงฆ์ในดงเกรเียงให้ได้รับฟังกันบ้างนะครับหลายคนอาจจะเคยได้ยินชื่อเสียงของท่านมาบ้างแล้ว แต่อีกหลายคนก็อาจจะยังไม่เคยเห็นว่าน่าสนใจจึงอยากจะนํามาเล่าต่อให้ฟังครับครูบาชัยวงศาร์จากเด็กขอทานสู่พระอริยสงฆ์ใดงเกเลียงอดีตในวัยยาวของท่านนั้นเกิดในครอบครัวของชาวไร่ชาวนายากจนถึงขนาดต้องเคยขอทานเพื่อหาเงินเลี้ยงดูโยมบิดามารดาและน้องอีก9คนพอโตขึ้นมาก็ถูกเพื่อนลูกศิษย์ด้วยกันกันแกล้งเอาน้ํารักใส่ที่นอนจนหลังเน่าเปื่อยทนทุกขเวทนาอย่างแสนสาหัส เมื่อเรียนหนังสือก็ถูกครูใช้สันควานเคาะศีรษะและทุบตีจนเนื้อแตกในยามนอนนั้นก็ถูกเพื่อนเอาทรายมากรอกปากบ้างเอาน้ำมาราดหัวบ้างบางทีก็เอากระถมมาวางตรงหน้าขณะที่กินข้าวนั่นก็คือเรื่องในวัยเยาว์ส่วนหนึ่งของท่านเมื่อครั้งที่ครูบาชัยวงศาระยังเป็นสั ม, มนเนนน้อยได้เดินทุดงมากับครูบากามาพบวัดพระพุทธบาทห้วยต้มสั ม, มนเนนน้อยหรือว่าครูบาชัยวงศานั้นได้เคยถามครูบากาถึงการปฏิสังขรณ์วัดนี้ก็ได้รับคําตอบว่า ไม่ใช่หน้าที่ของท่านเองและก็ได้ชี้มือกลับไปที่ตัวของสัมมณเนนก็คือครูบาชัยวงศ์สาจากนั้นจึงบอกว่าต่อไปเนนน้อยจะได้มาเป็นผู้สร้างวัดนี้ซึ่งเรื่องนี้ได้ไปตรงกับข้อมูลที่ได้มาจากคําพูดของครูบาศรีวิชัยเมื่อครั้งที่ได้มีชาวบ้านไป น, นิมนต์ครูบาศรีวิชัยให้มาบุรณะวัดนี้ท่านก็ได้ปฏิเสธกับชาวบ้านว่าไม่ใช่หน้าที่ของท่านเช่นกันเป็นหน้าที่ของครูบาชัยวงศ์สา จึงได้ให้ชาวบ้านไปนิมนต์มาซึ่งขณะนั้นครูบาชัยวงสาก็ยังเป็นสัมมเนนอยู่ครูบาชัยวงสานั้นท่านเป็นพระพุทธเจ้าน้อยของชาวกเกรเลียงเมื่อครั้งที่ชาวบ้านได้ขุดพบศิลาจารึกที่มีตัวอักษรล้านนาไทยเขียนไว้ด้วยประโยคสั้นๆว่าผู้ที่จะสร้างวัดนี้คือพระพุทธเจ้าน้อยซึ่งจะเริ่มสร้างปีตอนนี้อยู่ที่เกิดที่จะมาเป็นผู้สร้างซึ่งก็เป็นจริงตามในศิลาจารึกแผ่นนั้นทุกประการ ขณะนั้นครูบาชัยวงศ์สาได้รับการยกย่องจากชาวเขาให้เป็นพระพุทธเจ้าน้อยอยู่ก่อนแล้วแม้แต่สถานที่อยู่สถานที่เกิดก็ตรงกับทิศ ท, ทางที่ศาราจาลึกบอกทุกประการด้วยเหตุนี้บรรดาชาวบ้านตลอดจนในอำเภอจึงได้ไปนิมนต์ครูบาชัยวงศ์สามาสร้างและบูรณะวัดพระพุทธบาทห้วยต้มตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาพระผู้เป็นที่พึ่งของชาวกะเรี่ยงครูบาชัยวงศ์สาได้มาจำพรรษาที่วัดพระบาทห้วยต้มเมื่อมีอายุได้33ปี ระยะแรกที่มาอยู่บรรดากะเรียงได้ติดตามท่านมาไม่มากนักจนกระทั่งเมื่อปีพุทธศักราช2514บรรดากระเลียงทั้งหมดจึงอพยพมาอยู่เป็นหมู่บ้านถึง600หลังคาเรือน 3,000 กว่าคนทุกคนนั้นกินอาหารบังสวรัตตามครูบาชัยวงศ์ษาซึ่งได้ชี้ให้เห็นโทษของการกินเนื้อสัตว์หันมากินข้าเหนียวจิ้มพริกกับเกลือและผักต้มแทนแต่เดิมชาวเขาเหล่านี้ไม่เคยเห็นพระสงฆ์แรกๆต่างกลัว ก, กันมากไม่เห็นครูบาชัยวงศ์ษาเดินมา ต่างรีบอุ้มลูกจุงหลานหนีเข้าบ้านกันก็มีพวกผู้ชายที่ใจกล้าเข้ามาพูดคุยกับท่านมาซักถามบ้างก็เอามือลูบหัวท่านเล่นบางก็เรียกท่านว่าเสียวเพราะไม่ได้นับถือศาสนาพุทธจึงไม่รู้จักพระสงฆ์ต่อมาครูบาชัยวงศ์สาได้ใช้กุศโลบายค่อยๆตะล่อมสอนชาวเขาเหล่านั้นให้เลิกยึดถือประเพณีบูชาผีสางนางไม้ให้หันมาเลื่อมใสายในข้อธรรมคำสั่งสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยปูพื้นและวางหลักเกณฑ์ในการยึดถือพระพุทธศาสนา ให้ถึงกันและกระพีให้เลิกละการเบียดเบียรนรังแกสัตว์เพียงเพื่อสนองความสุขของตัวชาวเขาถามครูบาชัยบงสา ว, ว่าโกนหัวและห่มผ้าเหลืองไปทําไมท่านก็ได้เมตตาอธิบายให้ฟังว่าท่านเป็นพระสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประพฤติพรหมจรรย์มีศีลสมาธิปัญญาเป็นเครื่องสักฟอกจิตใจไม่เบียดเบียนผู้ใดจึงต้องนุ่งห่มผ้าย้อมฝาดปฏิบัติตัวอยู่ในพระธรรมวินยัยที่พระบรมศาสดากําหนดไว้อย่างเคร่งครัด ชาวเขาเมื่อได้ฟังคําสั่งสอนของครูบาชัยวงศาก็เกิดศรัทธาเลื่อมใสต่างพากาันนาอาหารที่ประกอบด้วยเนื้อสัตว์มาถวายครูบาชัยวงศาก็หยิบเฉพาะผักขึ้นมาฉันโดยไม่หยิบต้องเนื้อสัตว์เลยชาวเขาสงสัยจึงได้มีคําถามท่านครูบาชัยวงศาจึงถือโอกาสสั่งสอนให้ชาวเขานั้นสํานึกในกฎแห่งกรรมสํานึกในความมีเมตตาต่อสัตว์โลกว่าทุกคนย่อมรักตัวเองกลัวตายสัตว์ที่เราล่ามาทําอาหารก็มีความกลัวตาย ถ้าเราไม่กินเนื้อสัตว์ก็ไม่มีการฆ่าไม่มีการบียดเบียนให้เป็นกรรมติดตัวไปที่เกิดมาเป็นชาวเขาต้องพบความลําบากก็เนื่องจากการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตนี่แหละจงอย่าสร้างกรรมเพิ่มด้วยการกินเนื้อของเขาอีกเลยชาวเขาเมื่อได้ฟังก็เกิดความเลื่อมใสศรัทธาอย่างแรงกล้าตั้งใจมั่นเลิกกินเนื้อสัตว์แต่นั้นมาก็หันมากินอาหารมังสวิรัตแทนโดยหาผักหาห้าหัวเผือกหัวมันพริกกับเกลือแทนเนื้อสัตว์จนเป็นที่โจษจันกันไปทั่ว ถึงความสามารถของครูบาชัยวงษาในการขัดเกลาร์จิตใจของชาวเขาเหล่านี้ซึ่งแต่เดิมชอบประพฤติตัวเกเรชอบกินเหล้าอาราวาสสร้างปัญหาให้แก่ประเทศชาติอย่างมากนับเป็นประโยชน์ต่อรัฐบาลอย่างมหาศาลเนื่องจากชาวเขาเหล่านี้เป็นชนกลุ่มน้อยที่สร้างปัญหาให้กับบ้านเมืองตลอดมาในการตกเป็นเครื่องมือของผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ที่คอยซุ่มโจมตีทหารของรัฐบาลในป่าลึก ครูบาชัยวงศสาได้หาเหตุผลที่จะดึงและโน้มน้าวจิตใจของชาวเขาเหล่านี้ว่าผู้ที่เกิดมาเป็นชาวเขานั้นแต่ชาติปางก่อนได้สร้างกุศลไม่ดีมาจึงต้องมาเกิดเป็นชาวเขาถ้าจะทําให้เขาละการสร้างเวรกรรมให้กับตัวเองได้ก็ต้องอาศัยกุศลที่ดีเป็นคนดีของประเทศชาติไม่มีปัญหาต่อชาติต่อไปด้วยขันติบารมีการวางเฉยด้วยใจที่ให้อภัยต่อสัตว์โลก ครูบาชัยวงศ์ษาจึงได้รับการยกย่องจากชาวเขาเผ่าต่างๆให้เป็นครูบาผู้เปี่ยมล้นไปด้วยคุณธรรมอันสูงส่งและด้วยอำนาจแห่งความเพียรพยายามทางจิตท่านครูบาชัยวงศ์ษาคือผู้หนึ่งที่เทพพญดาฟ้าดินให้ความเมตตาอภิบาลรักษาคุ้มครองป้องกันภัยเมื่อท่านได้กระทำความดีสร้างบารมีเพื่อเป็นพระโพธิสัตว์ด้วยจุดมุ่งหมายอันยิ่งใหญ่ในอนาคตข้างหน้านั่นคือแทนแห่งพุทธภูมิ ครูบาชัยวงศ์สาได้ไปร่วมแรงร่วมใจกับครูบาชาวปีช่วยครูบาศรีวิชัยทํางานในด้านต่างๆทั้งงานศาสนาและงานสาธารณประโยชน์ทั้งที่ได้รับอุปสรรคนานับประการโดยเฉพาะอุปสรรคในการสร้างทางขึ้นโดยสุเทพร่วมกับครูบาศรีวิชัยโดยครูบาชัยวงศ์สาและครูบาชาวปีเป็นผู้รับผิดชอบและควบคุมในการสร้างทางคนเดือกรึ่งครูบาชาวปีรับผิดชอบควบคุมช่วงล่างตั้งแต่วัดศรีโสดาถึงวัดสกิทาคามีซึ่งปัจจุบันได้ถูกรื้อไปแล้ว ไปจนถึงทางขึ้นดอยสุเทพในขณะสร้างทางได้รับความลำบากทุกขเวทนาอย่างสาหัสเนื่องจากถูกกันแกล้งจากตำรวจหลวงและพระสงฆ์ที่ไม่เข้าใจในเจตนามุ่งอันแท้จริงของครูบาศีวิชัยคอยจับศึกอยู่เสมอการดําเนินการก่อสร้างจึงต้องลงมือเมื่อพระอาทิตย์ลงลับไปเสียก่อนและต้องหาที่หลบซ่อนเมื่อพระอาทิตย์ขึ้นในเช้าของวันใหม่งานสร้างทางตอนเริ่มแรกมีชาวบ้านมาช่วยงานไม่เท่าไรแต่เมื่อนานไปก็ได้มีพวกชาวกะเหรี่ยงและชาวบ้านในหลายตําบลหลายหมู่บ้าน าการมาร่วมแรงร่วมใจอย่างมากมายด้วยความศรัท ธ, ธาและเต็มใจจนในที่สุดการสร้างทางขึ้นโดยสุเทพก็สําเร็จรุ่วงได้จะกล่าวถึงการทุดงของท่านบ้างการออกทุดงส่วนใหญ่จะเป็นในป่าลึกปัสกจากผู้คนจึงไม่มีใครมาใส่บาตรมีแต่ผีป่าและนางไม้เท่านั้นที่จะลงมาใส่บาตรเรื่องนี้เป็นคําบอกเล่าของครูบาชัยวงษาที่เคยเล่าไว้กับลูกศิษย์ของท่านว่าการอยู่ในป่าลึกที่เต็มไปด้วยอมนุษย์และสิงสาราสัตว์ใหญ่น้อยนั้น การบำเพ็ญเพียรทางจิตให้กล้าแข็งเต็มไปด้วยพลังเมตตาต่อสัตว์โลกแล้วจะไม่อดตายเพราะผีป่านางไม้จะนำเอาอาหารทิพย์มาให้และอภิบาลรักษาครั้งหนึ่งขณะที่ครูบาชัยบงศากำลังทำความเพียรทางจิตไม่มีเวลาไปหาพืชป่ามาฉันท่านจึงนำบาดเปลา่าไปตั้งวิธีโคนต้นไม้จากนั้นก็ได้นั่งภาวนาพิจารณาธรรมต่อไปจนออกจากสมาธิเมื่อได้เวลาฉันเพลนเมื่อท่านได้เดินไปที่บาดปรากฏว่ามีข้าวสีเหลืองมีกลิ่นหอมอยู่เต็มบาด บางบันก็มีดอกไม้ป่าใสมาด้วยบ่อยครั้งที่ครูบาชัยวงศ์สาต้องออกทุ่งงไปถึงเทือกเขาที่ปกคลุมไปด้วยหิมะเวลานั่งบำเพ็ญเพียรทางจิตก็ต้องก่อไฟไว้เพื่อสร้างความอบอุ่นมีอยู่ครั้งหนึ่งไฟได้ลุกลามมาติดที่จีวรตั้งแต่ชายจีวรจนมาถึงหน้าอกแล้วท่านก็ยังไม่รู้สึกตัวจนกระทั่งออกจากสมาธิจึงได้พดบว่าเปเลวไฟนั้นกํนาลังเลียเนื้อหนังของท่านอยู่ขณะที่มาปกครองวัดพระบาทห้วยต้มในระยะรแรกๆนั้น ครูบาชัยวงศาก็ยังออกทุดงไปบำเพ็ญเพียรทางจิตในที่ต่างๆอยู่เสมอทั้งที่หนทางก็กันดารลําบากยากเข็ญต้องผจญกับไข่ป่าและธรรมชาติเครื่องอัฐบริหารก็มีไม่ครบเวลาเจอพายุฝนก็ต้องภาวนากันใต้ต้นไม้ใหญ่นั่งตากพายุจนเปียกปอนอยู่เสมอการผจญกับความลําบากเป็นเสมือนหนึ่งหินรับมีดยิ่งลําบากเท่าไร่ก็เหมือนกับได้มีโอกาสรับมีดให้คมพร้อมที่จะเชื่อเฉือนสรรพสิ่งให้ทันทุนทวงทีฉันนั้น ครูบาชัยวงศ์ษาท่านก็เป็นยอดแห่งความอดทนมาตั้งแต่เล็กยากที่จะหาใครเทียบเท่าได้และนี่ก็คือบันทึกของครูบาชัยวงศ์ษาพระผู้ภาคเพียรและนับพัฒนาพระอีกหนึ่งรูปที่ผมอยากจะให้ทุกท่านได้รู้จักครับการเล่าหากผิดพลาดประการใดขออภัยด้วยนะครับขอบคุณที่รับฟังครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ